เรื่องลอยกระทงโดยพระอาจารย์สมพบโชติปัญโยครอนุยพรสุออริสวัตรพิพัฒนมงคลความพาสุขทุก ป, ประการจงบังเกิดมีแด่ที่น้องชามเพรนาว่าตลอดทั้งตำบลใกล้เคียงของเพรนาว่า ท, ทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมในงาน เสศการลอยกระทงในวันนี้โดยทุกท่านทุกท่านทุกคนใอกตักนี้ช่วเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมิจฉาคือถ้อยคําอันประกอบไปด้ยวยธรรมแล้วซึ่งจะเป็นถ้อยคําที่ประกอบไปด้ยวำำออยธรรมคาสั่งสรรคในทางพระพุทธศาสนาจึงนขอให้ท่านทั้งหลายโดยตั้งอกตั้งใจฟังกันท้วยดีเจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ประชาตนา่าเป็นเครื่องเตืเอนจิตสกิดใจในการดำเนินวิถีทางแห่งชีวิตของท่านทั้งหลายโดโทัทันงทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงแรกนี้ก็จะขอทําทความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังของท่านทั้งหลายก่อนว่า อาตมานั้นขอให้ท่านหนึงหลายได้ฟังด้วยความต้นอิสระในการฟังท่านงหลายที่กลังนั่งพนมมืออยู่ในขณะนี้อาตาพขอใช้สิทธิ์ขององค์ากในงานนี้ขออนุญาตพิเศษที่แก่ท่านหนึ่งหลายวาให้ท่านหน้งหลายได้วางมือลงสั ไม่ต้องไปนมมือหรอกเอาหูฟังไม่ต้องเอามือฟังมันจะเกิดโรคคอปวดแขนปวเร้าในร่างกายซะกอ่อนแล้วก็จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการฟังเลยจะไม่รับประโยชน์ในการฟังกันในทั้งนี้เมื่อหันปวดมือ่อยขบก็จงพลิกไปพลิกมาสนามยาของเรามันกว้าง ถหาท่านรู้สึกว่ามันร้อนก็จงใช้คนติบประลามีเพิ่มขึ้นท่านนั่งต่างๆราานสนามยญาไม่ค่อยจะไม่ไม่มีวมไม่มีเงาแต่ตอนนี้มันก็แดดล่มสกแล้วที่น้องชาวมุสลิมไปแสวงบุญที่นครเมกบมาดีนะัพิธีฮัสจีพิธีทือบวช ทำการทะเลสายอันเวิงวางฝนตลบอบอวนเดินทางกัน็นสองสามพันสี่พันกิโลจากลุกม่มน้ำจอแดนไทยคลีโ ช, ชเพสลุม่มน้ำาหม่สู่ศูนย์กลางที่นครเมกาและมดีนาเดินมาด้วยเท้าเปล่าในสมัยโลกไม่จเจริญการนาวิทยาศาสตร์ ไ, ไกในั่งยิงจกลางทะเลสาเมือ่อพายุฝนพัดมามากๆแล้วจากนั้นก็เดินฝ่าเปลวแดดอันแพ่ผู้ชีดบรรทุกน้ํา ในทุงหนังบนหลังอ้วนน่นใช้ความพยายามอดทนกันเหลือเกินเพราะความเชื่อในพระอัลลอฮ์เจ้าองค์เดียวเนะีเพราะวันนี้ทนนั่งตังส์จะหนามยากแล้วก็ไม่แดดร้อนเท่าไหร่หรอกตะวันคล้อยรับแสงไปหน่อยแล้วเนี่ยแล้วให้ฟังกจฟังสิ่งที่เราจะได้นำมาพูดกันวันนี้ธีรวาเป็นการที่เราจัดการเป็นกรณีพิเศษ ปาราลบเพจที่ทางท่านนายอำเภอผู้หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนจะเป็นผู้นำชาวบ้านจัดงานเทศกาลอาร่อยกระทงประจำปีที่อำเภอนาาของกองแทนที่ท่านจะเพียรดูหนังดูละครกลางคืมกันขับร้องป้อราดูการเล่นอะไรต่างๆให้สนุกสนานแล้วก็แห่งขบวนกระทง ปรกนากฏาง น, นพมาให้ฝุ่นตลบกบตลาดเต็มบ้านเต็มเมืองเปล่ า, าท่านยังไม่พอท่านหนึงอยากจะให้มีประชาชนพี่น้องซึ่งภายใต้การปกครองของท่านได้ฟังการกล่าวปาตกรถาธรรมฟังเสียงพระพูดบงังเพืจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังสนับควาเป็นการกระทําที่ดีงามนี่คือได้ทั้โลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียบัวไม่ช้ำน้ําไม่ขุ่นนี่ลักษณะเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นลัทธิบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเอาประโยชน์ด้นทั้งสองด้านทั้งโพสตทั้งนีิยติทั้งทางบวกทางลบทั้งประโยชน์ของทางโลกและทางธรรมดังที่พระพุทธองค์ของเราได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าอปมมตโตอุโพอเทยที่กันห้าหิปันดิโตอัตพาทิสมัญญาทีโรบันดิโตทิปวุจิติผู้ที่เป็นบัณฑิตดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นย่อมสามารถ ฉลาดสา ม, มารถคือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านไม่ว่าจะมาในเมียไหอก็ตามนี่ฉันได้ก็ฉันนั้นท่านนายอำเภอเลยให้คนไปตามนีมน่มนอธรรามากราบพระ ก, ระกถาธรรมโอ้ยกว่าจะได้มาพบกับท่านตาทุจริงหลายในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะท่านนึ่งหลายกว่าที่จะได้มารวมกันนี่ถึงห้าหกตำบลของอำเภอนาว่ามากันหมดทุกตำบล น, นี่ยนะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายปีหนึงจะมีสักครั้งเดียวไม่ดีแค่ในรอบสิบปีทั้งแตมีเนี่ยและในขณาดนี้ก็เป็นเรืองเกีกับเกี่ยวข้าวปลาอาหารหลังจากปักดกําคนรอคอยกันมาเป็นหลายปีแล้วเป็นเวลาที่กำลังยุ่งยากลาบากท่านทั้งหลายก็ยอมซสียละเวลาอันมีค่ายกเลิกการทํางานนั้นมารวมกันที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายท่านต้องเสียเวลากับการงานเสียวเวลาที่จะต้อง มาเก็บเกี่ยวข้าป่าต้องเดินทางมาที่นี้เมื่อหน้าหลายตาทั้งหนุ่มสาวลูกเด็กเลแดงพ่อใหญ่แม่ใหญ่พุทธาพุกแก่ถ้าเาอาตมาเนั้นก็ต้องตั้งใจที่จะมาที่นี่ซึ่งความจริงแล้วทุก ป, ปีเมื่อออกพรรษาปีนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาไม่ได้อยู่ที่วัดต้องออกรอนเรมเข้าป่าเข้ า, ขาดงจากป่าสุป่ปาจากเขาสู่เขา พเพื่อแสวงหาสถานที่วิเวศสงบพบเศษเสนาสนปะปลาอันสงบดำเป็นตมณธรรมพาพระนมเนี น, น้อยอย่างเตริตอตรออกปฏิบัติการภายนอกสนามเอาเอ็กซ์พิเดวชันออกซ้อมลบทิฮิฮิทนายหลาย แ, ลกแกว่าบ้ายาคูเนีวไห้ผัดฟลาไปจังซีไปหาซ้อมลบซ้ลหนึ่งตื้นบอกว่าไม่ใช่ลบอย่างนั้นมีลบที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นคือลบกับกีเลส ที่มันมองไม่เห็นตัวมันทําให้คนตายแล้วตายอีกเกิดอีกทุกแล้วทุกอีกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารตาย ย, นยนู่จยินจตายในขณะที่คนอื่นไม่รู้จักแต่มันเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกระเบิดปรามานูถล่มที่ฮิโรจิ ม, มาทุกข์ยิ่งกว่าฮอลลีวูดเคลียร์ของอเมริกันและซอเวียกดเพื่เดียวมันตาย ชื่อสูงก็ยอมแสงแรงมหันชื่อว่าจันทร์ก็ยอมเห็นแสงเย็นอ่อนสุภาษิตบทหนึ่งพึงสังตายด้วยร้อนอย่างไม่ร้ายเท่าตายเย็นถ้าสมมติว่าระเบิดนิวเคลีย์กดตึงมาทีเดียวไม่อากาศไม่อะไรตายไปมาชั่วพริบตาเดียวกับจับยัดเข้าไปในตู้เย็นที่มันมีน้ำแข็งนั่นอันไหนจะตายเท่ามานยิ่งกว่ากันก็เลยหันออกไป อาลมานช่วยเหลืกอกมาถ้าจะให้ท่านเลือกท่านตั้งหลายคงจะเลือกตายร้อนทิพตาเดียวคงจะไม่มีใครอยากจะตายทรมานในห้องน้ำแข็งตายกิเลสเป็นอย่างนั้นคนโบราณยังบอกว่าสุภาษิตบทหนึ่งพึงสองบทตายด้วยร้อนอย่างไม่ร้ายเท่าตายเย็นตายโม่อย่างทรมานเพราะกิเลสปัญหาเดี๋ยนี้บ้านเราเมืองเราเป็นทีราบเป็นดีแล้วว่าพุทธศรราสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจ บุคคลนี้เป็นองค์กรเขาศาสนาเป็นคนชั้นแนวหน้าที่ใกล้ชิดคําอสอนและประพฤติปฏิบัติให้ตนแบบอย่างและนํามาเพ้อแฝ่แก่ประชาชนให้สตว์พูฟังทาให้ดูยกให้เห็นนั่นคือพระสงฆ์องค์เจ้าแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเราจะมีสักกี่คนที่อุทิศตนเพื่อศาสนาเป็นสะพานให้กับประชาชนเดินทางแห่งชีวิตใต้าตาประสบความสิ้นทุก วิธีการต่อสู้กับสงคารามกิเลสนี่มันไม่มีใครนะมีจำนวนน้อยที่สุดเพราวันนี้โลกจริญมก้าวหน้าวิทยาศาสตรก์ก้าวไปไกลเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำให้จิตใจของคนบูชาหลงไหลวัตถุนิยมไม่มีใครสนใจจิตแตนนิยมทำมันิยมที่จะจะบวชกันนานๆ น, น, นับมื้มื อ, มอรอคอยกันแต่ยังไม่บวชว่าจะบวชเท่านั้นวันเท่านี้วัน มันเลยในะวันที่จะขายแคนวัดร้างเกิดมากขึ้นมีแต่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาอยู่ที่วัดเป็นผานลงเป้าวัดความรู้ความเข้าใจอะไรท่านก็ไม่ค่อยจะมีเพียงแต่โง่ผมหน่คมที่อ น, นอนนอนในวัดให้คนได้กราบได้ไหวไปวันวันในจิตใ จ, จของท่านจะเป็นในมันในท่านไปยากและท่านแก่ความเข้าใจทางศาสนาก็มีน้อยเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนหน่มเป็นทหารแห่งธรรมประเทศชาติ ที่ตั้งอยู่ได้เพราะมีกองกําลังทหารแสนหยาดมุภาพอันเตรียมใจกองทับบกกองขับเรือกองขับอากาศมือประสิทธิภาพประสิทธิผลรบทัพจับศึกทั้งรุกทั้งรับใช้อาบุตรใหงเป็นประโยชน์ช่ำชองในการรบส่วนศาสนาก็จะต้องมีทหารรักษาคือธรรมะเสนาทหารแห่งธรรมพลขธรรมเสนาทหารหน่วยแนวหน้าแบบตะลื้อคอมมันโดแห่งธรรมคือพระสงค์เจ้า จะต้องประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเจนจัดในการต่อสู้กับกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มากระทบทางจิตใจและจะต้องเป็นนั ก, กรบที่แข็งแกร่งไม่วันไบรู้จะใช้อาวุธคือทำที่ถูกต้องทำ ม, มาเนี่ยเป็นอาวุธหรือว่าทำ ม, มาวุธที่เด่นน้าแต่มีอาวุธดียิงปืนไม่เป็นมันจะใช้เพื่ออะไรได้เพราะฉะนั้นอิรมมาจึงต้องทําอย่างนี้ออกพันษาแล้วหัวลงอุย้ย บ้านเราเรียกว่าหัวลมอุย่ยลมเหนือร่องดินแตกละแหงลมหนาวเริ่มกับผือพัดมาจากทางทิศเหนือออกพิออกความหนามาจากภูเขาที่มาไกลแผ่นดิเนเริ่มแห้งเหนือควายห้าวนกคู่โเป็ดไก่กาอะไรต่างๆเขาสนุกสนานหน่มสาวเก็สนุกสนานในงานรอยกระถงบังบ้งบุญกระถิงปังในช่วงนี้บรรยากาศมันเป็นใจพระหนุ่มเนี่ยน้อยกว่าฮันรีฮันขวาง หนึ่งเดือน่ออกพรราถิงวันนี้วันสุดท้ายวันเพ็ญเดือิบสอง 12. เป็นเทศกาลทอดกระิงในงานกระทิงมีมอร้องมอรำสตรงของโบฮอนเสิร์ดดิสโก้เทคอะไรตามบ้านนอกเกิดขึ้นรำวงโต้ลมหนาวสาวผู้ไทยหนุน่มน้อยหกน้อยเสียงเพลงเสียงขับเสียง่มเสียงดนตรีดิสตรีเป่อเส่ยงภาพยนตร์หนังใหญ่ซีนเนมาสโคสีเสียงรอบทิ่ ใช่มันยืดยวนกวนใจซูมิเรอิมโมชันพระนมเนนน้อยให้อยากออกมาซูโรภายนอกอยู่ในวัดรู้สึกว่าตนเองอยู่ในกองขังอะไรติดคุกทางดุมยานอะไรทำอางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยปละละเลยตามกรรมตามเวรตามชะตากรรมอย่างนี้มันก็อยู่กันไม่ได้เราต้องสึบ อ, ออกมาเพราะจิตใจนั้นมันเหมือนกับน้ํำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำแต่นั้นเพราะฉะนั้นอนี้คือขาาสึกแห่งเจ็บ อาตมาจึงต้องพาพระนมเนนน้อยออก expedition แรมหลอนจากปะโซ ป, ปาจากเขาโซเขาเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนป่าว่าไปในสายชนหลบหลีกเลี่ยงมิสภาคารมอารมณ์อันเป็นอันตรายแก่จิตใจแม่ขพนี้ฐแม่รู้มันได้ยินเสียงเพลงดังแต่ช้ามือน้าวทุธาคากียไม่เลยที่ชา้ล่ำอย่งนก้้อตอยบอเอาหนีไปกกาฟังเสียงนกเสียงป่าในป่าในเขานะ้ฟังเสียงนกเสียงปาไป หลังจากนั้นตาของม่มันดยพบได้เห็นสีสีชุด ส, สวยปากแดงดอเย้าโก่งๆเดินไมเหนื่อยนั่งะมาที่่างกายก็เหนื่อยด้วยจิตใจก็ไม่รู้จะปรุงแต่งอะไรไม่อยากจะพักสงบเกยน็นตื่นขึ้นมาทำบัดสวดมนต์แปลดึกๆอบรมสามาธิภาวนาสร้างพลังให้กับเจตเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นทุก ป, ปียังทำอย่างนั้น ไนี้ท่านเป็นหลายโดยไ ป, ไปนิมนต์อาตามาก็ไม่อยากจะรับหลอกทั้งมี้เรียกมีแรงจะพูดหมดสุ่มเส้นแล้วห ล, อล่อลมจะอักเสบแต่ด้วยเหตุความปรารถนาที่ท่านอยากจะฟังเทศพจะเกินอาตามาก็เลยเอา้าถ้าอย่างนั้นก็รับเดินในวันที่หิบจะถึงหวัดอุบลราชธานีแล้วจะไปกลับมาเรียบร้อยฟังของจากอำเภออำนา จ, จเจริญทําแตงเทพมาที่อำเภอชะนงานมาเพอดอนตานออกมามุกดาหารบ้านตอง ขาอาาตพนมแล้วก็เรื่อยมาทาง้ยนุขอนคอนครพนมท่าอุเทนสีสงขามปากน้ำโสรดุริขึ้นบ้านแพงขึ้นโพง่วเดินไปเรืยๆอย่างนี้แต่ถึงวันที่กำหนดให้เทก็ต้องกลับมาแต่พอดีวันนี้โยมก็สบายหน่อย่งโยมขันอาสาว่าจะไปรับ ที่ไหนในประเทศไทยก็พอดีอดาดมาต้องกลับมาวัดวันที่สิบเจ็เพราะว่ามีชาวต่างชาติมาศึกษาพุทธศาสนาด้วยก็เลยต้องมาช่วยหวงนี่อีกต้องมาอยู่ในวัดอบรมสมาธิธภาวนาอาดามาก็เลยเหมือนหมีลูกน้อยต้องวิ่งไปอบรมพระในป่าในเขาที่เดินทางไปถึงหนงเราก็เดินทา ง, ทางตามไปอบรมให้อารมณ์ทางจิตทำอย่างนู้นพิจนาอย่างนู้ หลังนั่นก็ต้องตัดมาอบรมพวกชาวต่างชาตทิที่วัดจะปล่อยปะละทิ้งก็ไม่ได้เขาลงทุนกันมานานสงสารลงทุนกันมามากเสียงเงินเตียวทองค่าวสมบุรข้ามฟ้าข้ามทะเลมามาอดมาอยากกินข้าวเป็นเปลออยากอยากอยู่ในป่าในดงกระปบาดต้องคอยพึแค่เอาใจใส่อบรมเขาให้เ ข, าข้าใจเขาจะได้นําพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้แก่กันแหละคัน ปก็ฝลังมั่งฆ่าถ้าปล่อยไว้เขาก็พูดภาษาไทยไม่เป็นด้วยก็เลยเหมือสัตว์ประหลาดจะพูดกับใครได้อาตมาจึงต้องทํางานหนักหยิ่งไปที่อมาวิ่งไ ป, งไปนี่มเนี่วันนี้ท่านก็เลยง่ายในการจะรับอาตมาที่วัดหกสุกกว่ากิโลเราได้เดินทางมาพบกันเมื่ออาตมามาพบแล้วตั้งใจเลยเกินวันนี้ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจมาแต่อาตมาต้องมานั่งรออยู่ที่นี่เป็นชัว่วโมงมาถึงโก็เห็นขบวน แห่กทงนางนพมาศโอ้โุณนตลบกบตลาดทั่วอำเภอ น, นาวา่าไปหมดมันฟ้อนกันเยอบเยิบเยอบแฮ่กันนางนพมาอศอารามาตมานั่งรอคอยที่นี่เป็นชั่วโมงพอดีท่านในาอำเภอมาบอกว่าขออาภัยนะครับอาจารย์ที่มันผิดในโปรแกรมกำหมายกำนัการที่อำหนดไวอารามาบอกว่ามั่งเกี่ยงไรเพราะยังไงเราก็ให้อาภัยกันอยู่แล้ว พระเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยให้อภัยกันมาสร็จตั้งแต่ยังไม่เกิดอะไรขึ <c> ้น <oughs> ต้องถือว่าเราเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบือนทั้งทางกายทางวิจารณ์ใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาพบกันด้วยความตั้งใจแล้วคอยการฟังของท่านเนี่ยได้ประโยชน์ในการฟังอย่าให้มันสูญเสียไร้ค่าในการมาพบกันและการฟังวันนี้ฟังแรกยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ หัอฟังเจนทั้งเจ้าให้ ห, หน่ำแหลกแล้วบ่ค่าแขวจังคอยเกดอาจจะมาไม่เมื่อยากจะให้ท่านเชื่ออะไรง่ายๆให้ท่านฟังไว้เฉยๆเพราะว่ายังไงก็ตามพุทธศาสตร์หนานั้นเป็นศาสตร์นาที่นำปัญญาออกหน้าถ้ามีสภาอย่างเดียวไม่มีปัญญาแล้วมันมีโอกาสล้มละลายแล้วก็งมงายไร้เหตุผลมีโอกาสถูกหลอกถูกต้นพุทธศาสตร์หนาในลักษณะเช่นนี้จนทําให้ อยู่ด้านมานานสำหรับปัญญาชนส่วนประเทศใดมีคนง่อมากขึ้นศาสนาพุทธก็อยกไม่ได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนโน้นศาสนาพุทธมีคนนับถืออันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวนี้ตกเป็นอันดับด้วยประเทศที่เคยถือพุทธศาสนาเมืองแม่อย่างประเทศอินเดียก็หมดไปแล้วที่โดยพูดหานีฟานบังกลาเทศปา ก, กีสถานหมดจีนอ่ามองโกเลีย ถ้า ล, ลงมาตอนใต้เดนมาร์ลาวขาเมนเยียบนาเกาะหลงเอเลสกหมดแล้วคงเรลือแต่ไทยสีลังตาในญี่ปุ่นลงใต้ถึงชวาสมมาตาที่เคยมีวัดใหญ่อย่างบูโรบูโดในอินโดนีเซียผู้สถาปนาก็หมดไปแต่ตนนี้กำลังโผล่ที่ยุโรปตะวันตกท้งอเมริกาทางตะวันตกทางนี้ยุโรปนู่นพวกฝรั่งมั่งค้ากำังให้ความสนใจ คนทมีปัญญารักเหตุผลเท่านั้นที่จะรักษาผู้สะตานาและเข้าถึงหัวใจผู้สะตานาได้อะไรมาก็เป็นห่วงประเทศไทยพวกเราไม่จะถูกนิมนต์ไปอยู่ต่างประเทศไปเทศต่างประเทศถึงห้าอยากจะให้ท่านนงมลเดี๋ยเข้าใจเอาอะไทีนี้จึงเปิดโอกาสให้ท่านนิมลฟรีมาเป็นอิสระในหัวใจไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้ฟังไว้เฉยๆวันนี้ท่านนิมนต์ให้อตมาตมามาพูด ในวันเทศกาล ร, รอยกระทงของพี่น้องชาวอาเภอนาวัดาสายผู้ขอโนโมนาาวโน้นตนเองตรงสิริมมงคลในหัวใจนี้ <c oughs> ทำไมจึงกลาวว่าในหัวใจนี้สลิมมงคลด้วยบอกความวดงาม อ, อดุดมเจริญในหัวใจตแต่จะเกิดมาอาจมาเพิ่งจะมืองานนี้เป็นงานแรกในการมาร่วมรอยกระท ง, ตงแต่จะอ้อนในออกเกินมายังไม่เคยต่อตยกระทงลงในี้ำไม่เคยลอยกระทงกับใครสักผีหนึ่ง ไม่รู้มันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอาจจะมาเป็นคนบ้านนอกลูกคนปากคนบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคนปา่าคนเยินการศึกษามีน้อยแต่ก่อนมีโอยกระทงมันไม่มีในภาคอีสานของเราภาคอีสานของเราเนี่เป็นดินแดนที่จเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณสปริวชุนเอร l i ล h ์เทนเนลแลนดดินแดนที่สว่างสวัยทางจิตใจทางวิญญาณ มีขนมขบวนพาณิชยวัฒนธรรมอันบงามเป็นตัวของตัวเองมานานและมีอักษรใช้ตัวทำก็มีมานานแล้วมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมที่งดงามสอดคล้องกลมกลืนกับความเป็นอยู่โดยทอดออกมาจากคาสอนในทางพระพุทธศาสนาเรามียี่สิบสองคลองสิบสี่เป็นระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมชนชัน้ชนชาวอีสานเปรียบเสมือนน้ำเป็นได้ร้อยรัดโมมวลดอกไม้บุปผาชาติ ที่เป็นพวงมาลที่งดงามหีบสิบสองเป็นระบบเป็นระเบียบของสังคมข้อสิบสี่เป็นระ บ, บบของชีวิตร้อยวัตชีวิตจิตจและสังคมชาวอิสานให้งดงามเป็นยูนินที่เป็นเอกภาพไปมีสิบสองเดือนเราเอาบนกันเกถอะครั้งรวมกันเป็นสิบสองครั้งเรียกว่าหีบสิบสองดูฉะนั้นข้อสิบสี่คือคันรองของชีวิต พ่อแม่ทำยังไงกับลูกกับเต่าใจเข้มเขว่าหีดพ่อห้องเมื่อหีดปากข้องรุ่งหีดปูห้องงาหีดตาข้องน้อยฮีดเจ้าห้องคุ้นฮีดไผ่ข้องหน้ายีดผัวข้องเมียหีดไผ่ห้องเคยหีดวัดข้องว่าหีดเจ้าข้องเม็ตฮีดไทยห้องฮีดไทยห้องหน้าหีดตึ้งข้องเดือนจะมีหมดเลยเราจะมีหีดมีของคำว่าฮี้ไม่จะเขาว่าจารีภาษาไทยกลางว่าจารี มาจากภาษาบาลีว่าจริตะสังสเกตว่าจริกละเป็นภาษาอังกฤษว่าคัสตอมนวัดวิชันนส่วนคอมาจากคาว่าคันลองของชีวิต the way of l i f ภาษาฝลังมางนนี้แล้วที่มีสิ่งเหล่านี้มานานแล้วคนลาวของเราไม่มีรอเรือ่องมีแต่ห้องเรื่อจารีบ เาเว่าจ่าฮีดอ้มันตั้งจะเหตุจะหี ด, ดมันตั้งจะเห็ุจะหีดนี่แล้วสือจะหาบอกว่ามันบกฉากมันตั้งจะเห็ดตัวหีบีเขาว่าจาหีดหรือจารีแต่ผู้เลวๆเขาก็ตัดจาออกเลือกแต่ววฮีดก็เลยว่าหีดสิบสองจาหีบจารีสิบสองเบื่องละครั้งในจํานวนสิบสองเดือนหนึ่งปีคนลาวอีสานของเราคนเง้อค น, อคนย้อยคนพูไทยเนี่ยพูดอะไร สั้นลงประหยัดเวลาหรือว่าขี้เกียจก็ไม่สับอย่างเช่นเรียกพระวะเจ้าหัวเรียกน้อยเจ้าหัวคำเติมมาจากว่าเจ้าอยู่หัวยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวสาธุจเจ้าอะไรไปถวายพระท่านนึ่งบนหัวมีความเคารพเชื่อ ฟ, ฟังพระมากท่านเป็นผู้ประเสริฐเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตคนสมัยโบราณนับถือเป็นพระเจ้าอยู่หัวเลยนบไหวกราบไหว ยกใส่ก้าวเท้าใส่หัว จ, หจึงเรียกว่าเจ้าโยหหัวนี่พูดเลยๆข้างเจ้าหัวส่วนในมัม่งจัวน้อยไม่ถือว่าเจ้าโยหหัวน้อยจารีจารีพูดสั้นเลยว่าฮีเท่านั้นเองรวมแรงขาดแรงบสมบูรณ์ประเพศี้ทำบุญพอแม่ห้าวพเคยถิ่นโอ้ความดีเป็นหลิงสลักใจไหวห้องทีสามขียืนไหวบ่ไล่ถิน่นหีดข้อง มัน ท, ทุกอย่างหงเหินเขินขาเล่นง่ายบ่ฮอนลืมสินทำครามเพีย้ยนทางสาวใบบ่ฮอนไล่ล่าถิา่ข้องทมหีดเกา่าข้องพระพุทธเจ้าเข้าเดสังสอนมีเขียนไว้เป็นกะเป็นกอนขึ้นต้นเรืงี่สิบสองของสิบสี่มีจนวนี่สิบสองของสิบสี่นั้นเดือนหนึ่งทำกุมาจความดีร่วมกันครั้งหน่สังคมจมชนหนึ่ง้ง เหมือนเป็นริ่มตอกสลักหัวใจเอาคุณเนื้อความดีเอาความดีเป็นสิ่งสลักใจไว้คงทีสามขี้เหยดไยห่บอไร้ถิ่นหิ้ข้องในยมยีที่สิบสองที่เป็นริ่มเอตอกสลักหัวใจของชุมชนชาวอีสานทีกอยู่กันฉันผู้ถัดถน้องปนุ่นหนึ่งคือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศรัทธมซึ่งของบ้านเมืองเรือนเป็นศกมือเมื่อสวรรค์บนดินของค น, นจนๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีเนื้อปลาไม่มีรถราง แต่ที่ใจสมบประมาทดูกันทันพี่ทันน้องกางเบียดเบียดกันนี้อยด้วยอาศัยระบบแห่งชีวิตและระบเดียวของสังคมอันทอดเด็ดมาจากคํำสอนในทางพุทธศัพท์กันนะนู่ตตตนบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองกันนักนาะขั้นจะไปบ้านไต้ขอฝากห่อเกลือขัอ้นจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเข่าขั้นจะเจ้าโยบานขอฝากแก่หันขอบทั้งของ้าเพ่งแก่เมือสง ส, งสองสามโคชเจ้านี่คือระบบเรเลชั่นชีซีตมองชาวอีสานเรา คุณบานพีนีบาดหนองปองดองหักแกนเป็งยางยานตกงานแขนทวานเอินซอยกันเชิญเหลือกันเ พ, พ, พนื่พับเพื่พับลักษณะเช่นนี้มันเกี่ยวดองคล้องกันมาจากฮีดสิบสองของตุกตีพูพันมันคงเป็นอย่างล้ำลึกซุ้งเศร้าไปในหัวใจในจำนวนีดสิบสองนั้นจะไม่มีหีดใดเลยที่เรียกว่าหีดลอยกระทงเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นมาพูดกันในเรื่องลอยกระทง คนตั้งหลายที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธเรามาทำความเข้าใจ ก, กันกับเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าอาตามานเนี่ยเกิดมาไม่เคย้อยกระทงบ้านนอกสมัยก่อนในอิสานไม่มีดอกไม่มีมันบึ่งจะมีเฮอมีเฟอร์กันขึ้นมาสักสิบสปีกว่ากว่านี่เมื่อโลกได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาม า, มากๆถ น, นนหนทางรอพอชชอเข้ามาส่งดินแดนอีสานทุกหมู่บ้านไฟฟ้าเข้ามาทุกหมู่บ้าน เกิมีโทรทัศน์ขึ้นมาอีกแพร่ภาพทางมัสมีเนียมเชื่อบนชนลอยกระถอกกระท อ, องอย่างนู้นอย่างนี้วัฒ น, นธรรมเหล่านี้ก็ได้แทรกแฝงออามาในการศึกษาการศึกษาก็ถือวันนี้คือประเพณีอันดีงามของเราเอาล่ะยังไงไนายอย่าเพิ่งใจน้อยโมโห อ, อัตมา น, นย า, มายอยกรธโาเหแลอวจะมายกเลิกเค้นซ้นประเพณีอะไรต่างๆหรู อ, อยังไงอันนี้มนุษย์เทพ ขออภัยอย่าเพิ่งเข้าใจด่วนล่วงหน้าไว้อย่างนั้นเราพูด ก, กันอย่างอิสระฟังกันอย่างอิสระเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ครูกันแบบชาวพุทธฟังกันแบบชาวพุทธบ e ิวรส of what อ o h e เฮเชื่อเพียงครึ่งในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังเออกเอฟหองสิภายวาเสียงกบล่างจะเป็นงูท่าทานที่ตอดตายบ่ฮั่นห่อีอีห่องเยว่างแกว่าจะจันทรสัตว์ที่เหน่ยวเฮาห่องเกี่ยวเกี่ยวกับห่องเป็น เห็ น, นเรื่องเองอเสื่องหวาแต่นี่ค่ำนั่นคือเป็นค่ำปลอมเพตุกันณดใค่ำเก๋เดยเดห้องัวเห่ายาเปล่าวาล่างจะเป็นสาเต๋อเสื้อหายสิคาับเพรอาจะมาพูดเป็นพระเหลืองเออเหี้จะอย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้ฟังเราเป็นชาวพุทธถ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจแจ่มใสรู้อะไรตื่นอะไรรู้ความจริงรู้เหตุรู้ผลตื่นจากควา ม, มงัวเงินหายแจ่มใสเบิกบานจากความเศร้าหมองคน่นหวนในจิตใจ ด้วยความรู้อันถูกต้องรู้ข้อที่คิดรู้จิตที่ทํารู้คําที่กล่าวไม่งมงมาไรเหตุผลว่าทำสักแต่ว่าทำสืบๆกันไปตามกันไปเท่านั้นยังนี่้ว่าชาวพุทธผู้รู้ผู้เตือนผู้บิกบานยันี้กําลังละทำอ้าย้อยกระทงลอยกระทงคืออะไรจักเพื่อนผาเอิดพี่น้องชาวนาว่าสีทรงคารามนครพนมเฮาเล้ยงเนื้อลอยกระทงคืออย่างที่น้องจัก พันพาเอ็ศว่าเข้าไปหนึ่งทำไมถึงต้องมาลอยกระทงเป็นหนังกันต้องมาลอยกระทงจ็คแล้วเพื่อนของพาเอศไปไม่รู้แล้จะลอยกระทงไปเพื่ออะไรหนูไม่รู้เพื่อม้วนเพื่อจะได้กินเหล้าเพื่อจะได้ฟังหมอลำเพื่อจะได้เบิร์หนังมื่อเลนผุนทีละภาพยืนตั้งเ่อเลิกไม่ อ, อยกระทงเพื่อ อ, อันนี้เห็นไหมกรสอดเอ็ด เพราะนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็าตามเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งปัญหาถามไถ่ตนเองอยู่ตลอดการในขณะที่ไปเกี่ยวข้องว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดรายกระทงคืออะไรทาไมยังต้องมารอยกระทงให้รอยกระทงเพื่ออะไรไออะไ ร, รอยโดยวิธีใดเราต้องเข้าใจาอย่างชัดเจนอย่างนี้เราวันนี้เราจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้กันก่อน รอยกระทงชื่ออะไรไม่ต้องถามคําตอบท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่าจุดทูบจุดเทียนปากวงไปี้กระทงไปตองกล้วยหรือโฟมอะไรต่างๆที่แก่ขึ้นก็ไปปล่อยลงในแม่ น, น้ำตั้งแต่โรงเรียนชั้นป .1 ป .2 ก็ได้ร้องเพลงนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ําก็นองเต็มตล่งเราทั้งร้ายชายยิงสนุกกันจริงวันรอยกระทงเพลงนี้อเดมาก็จําจได้จดําได้ตั้งปต่อย่างเด็กๆ มันมีร่องขึ้นมาแล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นสําหรับภาคอีสานของเราน้ํามองจนตะหลิ่งที่ไหนเล่าภาคอีสานมีแต่น้ําจนหมดไปจากห้วยเดือนสิบสองน้ํายามน้ําอุ่นน้าสงครามจะแห้งขอดขาดเป็นวันแล้วเดือนสิบสองน้ำองเป็นตะหลิ่ยงนี่น้ําเจ้าปายาแม่น้ํำภาคจีแม่น้ําน้อยคลองกระทุ่มโงแม่น้ําแม่กองบางปะกงทางปักใต้ทางภาคกาง แม่น้ํอาอำป่าดีแม่น้ำป่าปีมันอยู่ใกล้ทะเลทะเลเหมืงนในขณะที่พระจันทร์วันเพ็ญเดืนี้เขาร้องก็ถูกแต่บ้าน เ, าเอามาร้องมืนเชิแหลกแล้วก็มารอยกระทงในผ้าอีสานนี่มันก็พอๆกันกับเอาก้วยสุกไปจิ้มปลาสมองกล้วยสุกไปจําตะแบกเลยพี่น้องมันมีนม้นํำนองเต็มตลิ่งน้ําส่งคามก็หิ้ง น้ำแยมก็หิ้งน้ำอุ่นก็หิ้งมันจะบ่มีน้ำแล้วที่นี่ป็นรอยที่ไหนก็สะก่อ ส, อสอชอใช่ไหมล่ะมันไม่วนลุ่ไมไปไหนไปปล่อยลงหาเรื่องที่จะสนุกสนานกินเหล้าเมายาดูหนังดูละครนอนเมาเ่อะชอนจิตใจให้จิตแปลกใจเพลย์โปรต์ป้าวขอใคยไม่ใช่ด่ากันนะเลอยฟังที่นี่ประเทศีีรอยกระทงนี่มันมีทางภาคกลางมาก่อนอาจารย์เลยรับวัฒนธรรมนี้ การไปสุขโขทัยเป็นต้นมาดังเราจะเห็นได้ว่าในดนนืนสิบสองท่านไปสุโขทัยก็ดีท่านกะเห็นหลักสุณาจะรึกหลักที่หนึ่งด้านที่สองจะลึกถึงการเผาเทียงเล่นไปเมืม่งสุขโขทัยธานีนี้มีพ่อคุณลามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพร้อมทั้งชาวเม่ชาวเจ้าถ ว, วถวยปัวถวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งซึ่งทั้งไล่ทั้งหญิงทั้งชาย ทงเพลิงสตานในพระพุทธศาสนามักจําสูงมักโคยฐานในหน้าจําปัญตาจน อ, อพันธสามหมดกระถิงเมื่อเดือนทิงแล้วเมื่อถึงเวลาทอกระถิ่งไปทอดกระถิงที่อาลันยิพุนมีพนมเบี้ยพนมมาพนมดอกไม้มีหมอนนังหมอนนอนเป็นบริพานกระถิ่งไปทอดกระถิ่งที่อาลันยิพุนเวลาจะกลับตีบงกองเท้าหัวหลาน เมืองสุโขทัยธานีนี้มีสี่ปากประตูเมืองเทียนย่อมเบียเชื่อกันมาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุโขทัยธา น, นี้เป็นดังจกักรแตกย่งเงินเข้ามาในประตูมีมีอยู่สี่ประตูมือนเมืองจักแตกมาดูการเล่นเผาเทียนเล่นไฟก็คือถังอย่างนี้ที่พิโยบรอยกระทงแล้วเมื่กระทงนี้อ่มันมาจากไหนคืออะไรกันแน่ในท่าอีสานเองไม่รู้ ที่สิบสองไม่จํานวนสิบสองเดือนจะไม่มีฮี่รอยกระทงมันเป็อย่างนั้นเดี๋ยวจะได้เล่ากันต่อไปทีอะไรบ้างในา้าอีสานของเราเนี่ยที่ในา้าอีสานของเรานั้นมันมีเพียงสิบสองที่ในที่มูลสิบสองที่นี้มันจะไม่มีคำว่ารอยกระทงมีฮีอะไรบ้างเดินอ้ายบนข้าวกรรมพระทรงองค์เจ้ามารวมกันยี่สิบกว่ารูป เป็นอย่างน้อยยี่สปู่เป็อย่างน้อยวีสติวักขบัติสังฆาที่สี่เดินอายนันต่างอเดชพ่มาหากไม่ย่างเขากำมูสังโคเจ้าเข้ามาภากันเขาถ้ำบุญตักบาตรปริหวัต่ออยู่สู้คำสัตสนาพราะท่านมาเยอะก็เลยถือโอกาสทําบุญทําทานได้บุญได้กุดสเยอะหาโอกาสยากที่จะมีบุญมีพระเยอะๆอย่างนี้เดินสองมาบุญคุร ล, ลานเอาข้าวมารวมกันบุญประทายเขา เดินซ้องมาแล้วจะภาคันสี่ีตกเดินมีมาห่อนแล้วภาคันเต่าแตงท่านของแขกบ้านเอาเขามะา่วมพ่มกันเอิบบุญคู่ล่านหรือ บ, บุญพทายเขาเพื่อจะได้รวมกันทาสาธารณประโยชน์เอาเงินเอาข้าวมารวมกันแล้วจะได้เอามารวมกันขายมาสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำคุณงามความดีร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เดินสามมเต่อบุญปังขาวจกเดือนสมนะฮอรแหลวบุญพระเวทประจปีบางพองีกร้อนแ ง, ง, งนันลฟอดทัศพ ร, รกัน ต, ตนมาหาพลกเียงเสียงมฤ ค, คมินม่นบาสมเ็เดนปังขาจีเดือนสิ่เ 4, พเวทตันดอนตขึ้นเดือนห้าบุญตัน้ดูเดือนห้าปีใหม่วันสงการเาเรียกว่าปีใหม่ของเรา ตรุดไปว่าเคลื่อนสองการสังเบอร์พร้อมกาและประกอบด้วยการสังกาศกรารล่วงเดินหาปีใหม่ประจำปีปีใหม่วันของการยาสุาคเลื่อปล่อยเตาป่าลงน้ำตะกุณหน้าผอมในกงในปลดปล่อยเดินหาคอยบุญหน่งจังคอยเศร้าเดินหกมาบุญวิสาขาบโบชาหวนหวนฝ่าห้องละงมฝนวันหเพียงลงควรู่ด่าฝึกซาเสียวแซนกสางถีจะดูผุกพร้อมเพ่งถ่วเทินแถว เอียงคําแรกลงใหม่จันทโรไ้แสงเขินวันเพ็ญสิบห้าคำวีสาขาประเสริฐหลำเลีล<ะ>เ้ยนเทียนนองนุ่งผ้าขดเวียงเทียนวันเพ็ญเดินหและลึกถึงวันประสูตรตับสรู้ปรินิพานขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังทำกันสิ่งกันหลังจากนั้นก็ยังมีบุญปั้งไฟบังไฟใหญ่บุญวีสาขาอะไรต่างๆพวกนี้เลยเป็นสองบุญดับเบิลบุเดิน เ, ดนเจ็มาบุญชำระบ้าน เดินแปดมาเข้าพรรษาเดินเก้ามาเข้าสากเดินสิบมาเข้าประดับดินเดือนสิบอ็ดมาออกพรรษาเดืนอนสิบสองบุญกระถินคือเดือน น, น, นี้เดือสิบสองบุญกระถินเนี่ยถึงฤดูเดือนสิบเอดสิบสองมาแล้วจะออกพรรษามาหนึ่งเดือนเรียกว่าเพศสกาดบุญกระถินฮีทเอาบุญกระถิน เอามาภาคกันส่างกะทิแห่พอไดแห่ตามเหี้ข้องพเมญเจาะโบลันเถาะบุญกาวสอนเอามาภาคกันสัง่งกะทิทำท่านเถาเสร็จแล้วจึงคอยลงทงกวงเอาเขาลงไปละนี่ฮั่เนเหีเข่าดันไปก่าฟังปฐมเตวบลมพุทธกาหลวงมาหน้าแหลวเป็นคำสอนขององค์พุทธเจ้าพระโคดมสอสัง่งวังให้เฮาผีน่องได้แปลงสัก ส, ส่วนบุญสิบสองเดือนมีบุญทุกเดือนแต่ไม่ปรากฏว่ามีบุญลอยกระทงเพราะฉะนั้นอาตมาจึง มีวันนี้อได้มาร่วมในงานรอยกระทรงครั้งแรกในชีวิตเอาโตมาเป็นหนุ่มก็ไปทํางานทําการทางปักใต้ทางภาคกลางไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสนุกเพราะโมัวแต่ทางานต่อมาหน่อยเป็นหนุ่มใหญ่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่บเจ็ดยี่บปดไปแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศบางอะไรต่างๆโมนี้มมืก็เลยไม่มีโอกาสที่จะแต่ก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นประเพณีของพ่อแม่เราไม่ อาละมาขอเรียกว่าเพณีเหล่านี้ว่าประเพณีที่มันมากับเศรษฐกิจมากับความมืดแห่งสติปัญญาด้วย <M> มันมากับความมืดมากับเศรษฐกิจมากับธุรกิจแล้วมันก็กลายเป็นเนื้อ ง, งอกเมื่อเกิดเป็นเนื้อ ง, งอกแล้วก็เกิดอักเสบเป็นอันตรายแก่ร่างกายถึงชีวิตประเพณีนเนื้อ ง, งอกเกิดมาเพิ่มเรื่อยๆแต่ก่อนชาวพูดของเราในนีงประเพณีอยู่อันหนึ่ง ก็คือบุญ้มีบุญนอยู่าอันในหามุทธาสของเราเอาบุญใหญ่อยู่สาั้งคือบุญมาฆะวิสาขาอาสาระรวมกันเรียกว่าบุญพระพุทธบุญพระธรรมบุญพระสงฆ์วันวิสาขาวันเกิดของ พ, พระพุทธเจ้าแตสรู้ปริยพาณวันอาสาระาวันแห่งการทำพเพราะแสดงทำครั้งแรก วันมาคะวันแห่งพระสงฆ์ที่มารวมกันไม่ได้นับหมายพันสองรห้าสิบรูปประธานโอวาสปฏติโมสพระราชกรณปรยได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบวันทั้งสามสำคัญมากคือวิสาขะอาสาหะมาคะมีเท่านี้แต่ดี๋ยนี้มันเอเพิ่มขึ้นมาอีกวันคริสต์มาสวันอีเตอร์วันแห่งความรักวาเลนไทน์ เพิ่มขึ้นมาคนหนุ่มคนสาว น, นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ตื่นตัวกันมากรับวัฒนธรรมเราเนี่ยเคยไปบรรยายในสถานที่แห่งรา ช, ชการหรือในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมระดับวิทยาลัยคอนเรสระดับยูทิเวิร์สถ้าถามว่าอะไรรู้จักวันวาเลนไทยไหมยกมือเพื่อ น, นักศึกษาระดับมัธยมต้นต้นถึงมัธยมปลา ย, ายหรือแม้แต่ชั้นประถมรู้จักวันวาเลนไทย วันวันถึงความรักค่าวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เรียนไทยรู้จักกันนีแล้วกันแต่พอถามว่ารู้จักวันอาสาฬหาไานะไหมจ้าเนาะก็ยังเงียบรู้จักมาฆะไหมเงียบหนูไม่รู้หนูไม่รู้เท่านั้นเองแล้วรู้จักดีแล้วกันวันเหล่านี้คืออะไรนี่ก็คือประเพณีเมืองง้อกเกิดมาใหม่มันมากับความมืดเพื่อสนองตอบทางเสร็จ ่ารอยกับธงรู้จักกันดีเหลือเกินน้ํำนองเต็มตลิง่งมันเพนเดอร์สิบแต่น้ําเมืองอีสานนี่มันไม่นองเต็มตลิง่งมันแห้งขอดจนถึงก้นคลงองก้นห้วยบกเป็นหาดคาดเป็นวังกันไปเลยแล้วก็มาร้องเพลงนี้คือมันก็เลยเชยแหละที่นี้ถ้าหากเกิดใครบอกว่าจะไปลอยมันเลยกับธงกับเพนเอาแล้วหาวเป็นคนคึกขาลาสามายัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเป็นไปนเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเมืองอีสานแล้วไม่มี แต่มันเพิ่งจะมีมันมาได้ยังไงรอยกระทงนี้คืออะไรร้อยกระทงนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดมาช้านานเป็นประเพณีอันหนึ่งของชาวฮินดูฮินดูเพี้ยนมาจากว่าฮินดีหรือคือฮินดัสคือแม่น้ำสินโถวภาษาอังกฤษหรือภาษาเดิมเรียกว่าแม่น้ำหินรัสและสินโถวฮินดัสเนี่ยมันเพี้ยนมาเป็นฮินดีแล้วต่อมาเป็นฮินดูต่อมาก็เป็นฮินเดีย แต่ก่อนอินเดียยังไม่เป็นประเทศเดียวกันเป็นส6กประเทศอังคบมกธกาศีโกสวัตชีมลเจตีวังสักรุ ป, ปัญจารศร세นสักกะอวันติคันธาระกัมโพชะเมื่อเป็นอย่างนี้พระเจ้ า, าสอสส์ได้ยกทัพของพระองค์ไปตะลุยทั้ง16หกแคว้นเอาเป็นอันเดียวกันได้ <c oughs> เมื่อพีสองร้อยกว่า ในทีสุดพระองค์ก็เลยสถาปนาประเทศทั้งหมดให้น้ำสือศาสนาเดียวกันคือศาสนาพุทธแล้วก็ตั้งชื่อประเทศนี้ว่าฮินดีต่อมาเป็นฮินดูต่อมาก็เป็นฮินเดียเป็นอินเดียเท่าท ว, วัดนี้และชาวอินเดียนี่แหละชาวฮินดูนนดทื่ซึ่งเขาน้ำสือศรราสนาความเขามีประเพณีอันหนึ่งของเขาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคือประเพณีทีปวาลิ วารีแปลว่าแม่น้ำทีปะไปว่าทูกเทียนประทีปสว่างสบวยเนี่ยเขาจุดประทีปปล่อลงไปในแม่น้ำแปลว่าทีปะวารีทีปวารีเพื่อบูชาพระนารายท้าไนารายคงจะได้ยินชื่อของทัพหลังนาราย ในประเทศไทยของเราปีนี้ดังเกลียวกาวคนไม่รู้ก็ได้รู้ถ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าได้ดูโทรทัศน์ได้ฟังข่าววิทยุในกรณีที่รัฐบาลไทยและก็สอส อ, อจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวตั้งตัวตีเดินทางที่ยวไล่ที่ยวขึ้ไปกลับไปกลับที่สิคาโกอเมริกาเพื่อจะเรียกร้องทับหลังนาลายขึ้นเพราะทับหลังนาลายของไทยเราเป็นลูกหินแกะปะหลักสดสดงดงามที่ซุ้มประตูปราสาทพนมรุ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้หายไปสิบกว่าปีแล้วมันไปปรากฏตัวโผล่โฉมหน้าขึ้นที่ซูิีปาวัฒนธรรมสิกาโกอเมริกาถูกคนใจร้ายผู้เห็นแก่ได้ลักล่อเอาไปขายให้ฝรั่งฝรังเอาขึ้นเคบินไปโชว์ที่โน่นจนมันหายยากมากทุนก็ไปกบมาเพิ่งจะได้กลับเขิมาแล้วก็ได้ทราบว่ามันหายไปอีกอันหนึ่งที่อาาส า, ศาศวัดเขาโนอยอะไรนะที่อารันเปที่ ทำไม่ที่ที่วัดทับหลังนาลายนี่เลยเป็นที่มาของรอยจะทความยิงชื่อเต็มว่าทับหลังนารายบทมสิลบทมก็เพ่อวนนอนหลับนะขอภเสียงไม่หวานไม่ไหวนะทับหลังนาลายบทมสิลพระนารายนอนทีไนนท่ไม่น้ำศิลป์ถูไม่น้อย่างกาลสินนัน่นแหละมือน้าดบ พระนารายนี้จงไปนอนเลย น, นพวกศาสน า, าพราหมณ์ฮินดูเขามีสระติอยัง่งก็คือว่าถ้าผมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระนารายคุ้มครองพระอิศวรก็มาทำลายผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายภาษาแกรว่า Trinity ไม่ใช่มีภาษาอังกฤษว่า Trinity คือเอกภาพส <c oughs> ามอันเอามารวมกั น, ป น, นเป็นเดียวเป็นยูนิตี้ ภาษาแก่เรียกว่าตรีมูรติคือาาาพระเจ้าสามองค์ทีนี้พระพรหมเป็นผู้สร้างจะอยากจะดีจะมีจะจนขี่ลิว้วขี่เรยจะซุยสนงดงามขาดทุนได้กําไรลมหายใจไปอะไรก็ตามมันแล้วแต่ผมรู้จิตพระพรหมเป็นผู้ริษีชีวิตนั้นแล้วต่มาพระนาลายก็คุ้มครองแผ่นฟ้าแผ่นดินชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งหลายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองมาพระนาลายก็ไปคุ้มครองเปล่าขั่ว สัตว์น้ําและสัตว์ บ, บกด้วยคือท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวต่อกันนี่สิ้นสุดฤดูฝ น, นเทียงวันที่เดือนสิบสองเราจะย่างเขาสุดฤดูหนาวเฮ้ยว่าท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวต่อกันพระนารายก็มานอนอยู่กลางมหาสมุทรเพื่อจะดูแลสัตว์เหล่านี้ด้วยเพื่อคุ้มครองเขาเลยมีการจุดประทีปใส่ลงไปปล่อยประจงลอยลงในคงคาเพื่อบูชาพระนารายณ์บัณฑ์สมศรี เพื่อแสดงออกถึงความประทันตุกตเวทีให้พรนาลายครุ่งของในที่สุดเขาเลยมามีประเพณีนี้พวกชาวพามเ์เขาทํากันอย่างนี้รนวัดทิพปะวารีในทางพุทธศาสนาไม่มีครูธรรมไม่ได้สอนให้เราเชื่องมงายอาศัยสิ่งภายนอกอย่างนั้นเราจะต้องช่วยตัวเราเองอตตาหิตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตอนโกหินาโถปุโรสียาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ อตาหิสุทันเตนานาพังลปติทุลพังผู้ที่ได้ฝึกตนดีแล้วยำได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากฝึกตนให้ดี ข, มดขมใใ่มจิตข่มใจย่ามคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วมันแต่คิดดีพูดดีทําดีมังก็ได้ที่พึ่งในตัวเองที่ได้แสนยากคนอื่นทําให้ไม่ได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งพระเจ้าพระเจ้า พ, า พ, าพนาลงหน้ารายณ์อะไรก็ ชาวพุทธไม่เรียกคําว่าผอมลิขิตโถชงโหร้ายต่อฉันเหลือเกินทําไมพระผอมลิขิตฉีวิตฆ่าเป็นอย่างนี้ผิดบางช่วงําระคำม้มมึงผมขื่นมองหมา ง, มงผูคอตายเกิหาว่าพราะผมบังคับให้ผูกคอตายเรือยอย่องไห น, นพิซ่าในร่าพุทธศาสนาต้องดูว่าต่ำลิขิตคือการกระทำสุดที่สุดที่ประจัตตังนานดูในย่างมีโซทายีอันอยู่ัในยังมีโสทายี ความบริทเศร้ามองความดีความชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นใครเราจะมาทําให้เราเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นพระพุาทธเจ้าเลยแคนทันยกเลิกการบูชาสิ็งเหล่านี้ประกาศก้องมาว่าพระหูเวสลังยันติปพัตาณิวันนั้นนี้จะ อ, อาลามรุขัเจติยามนุษยาพยาตชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อทูความหวาดกลัวคุกคำในชีวิตจิตแใจแล้วก็ถือเอาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาถึงต้นไม้แม่น้ําภูเขาอาลาม เป็นที่พึ่งเป็นสรณะนเนตังโขงสระังเข้มเนตังสระังมุตตะเนตังสระนังมาคามัสพะปุขฆาปามกตินั่นไม่ใช่สรณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสุ้งสดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกไปได้ยังงมงายอยู่มันต้องพึ่งตัวเองโดยสติปัญญาโยจะพุทธันจะทำมันจะสังขันจะสระสนังขตโตสัจานิอริจสจานิสมมาปัญญาจะปัสสติ ผู้ใดเข้าถึงพระพุทธธรรมปสงค์คือความสะอาดระว่างสงบในจิตในใจมีสติปัญญาชัดเจนเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริ่อิ่งประการคือความทุกตัวปัญหาเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดปัญหามีโลดความดับลงแห่งปัญหาความดับลงแห่งทุกมักขนทางปฏิบัติวิธีทางดําเนินชีวิตเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อดับทุกนั้นอย่างชัดเจนแล้ว เอตังโโหสรนังเข้มังเอตังสนังุดตั้มัตตงเอตังสรนังมาคามสุภทุกขะปมจินั่นแหละเป็นสาระอันกระเสมที่พึ่งอันกระเสมสูงสุดแก่เขาอาศัยสิ่งเหล่านี้ย่อมพ้นจากทุกอันนั้นลงนาลายพระพรพระอิศวรพระเยซูพระอันโรอาลาอะเลนโนยาโฮวาอะไรต่างๆหมดความหมายเราต้องช่วยตัวเราเองนี่ชาพูดถึงไม่ดีอย่างนี้เขาจะไปอาบน้ํา ล้างบาปในแม่น้ำคงคาเพราะพนาลายก็แด บ, บมานอนแล้วก็เป็นแม่น้าบาปได้มันก็พัดกบุญไปด้วยเลิกมงมงายกันทันทีลงมาอาบน้ำแห่งธรรมรีไนคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบสังคมที่ถูกต้องดีงามรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องที่ต้องประพฤติปฏิบัติลงไปเที่ยวประทับท่านก็จะพ้นจากทุกล้างบาปในหัวใจได้ น้ำแม่น้ำคงคาแม่น้ำเจ้มามาณสารพูพาฮีกาแม่น้ำอจุรบัดีแม่น้ำบะฮิจะล้างได้ก็เพียงร้างกายแต่ดิฉันที่สกปกสวมมอมนั้นจะเอาน้ำอะไรมาล้างนอกจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเข้าใจเหตุเข้าใจผลประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะฉนั่นการรอกระทงจึงหมดความหมายสำหรับชาวพุดเอาละเมะื่อชาวพราหมณ์เข้าบูชาพระนารายณ์บรรทมสินแล้ว พุทธศาสนาได้เข้ามาครั้งแรกเมื่อพอศึกสองร้อยกว่ากาในประเทศไทยก็ยังไม่มีสิ่งนี้ต่อมาประมาณสักพันหนึง่งพระอธกถาอาจารย์ได้นำพุทธศาสนาเข้ามารละลอกสองในแผ่นดินไทยแล้วพุทธศาสนากระลอกสองนี้ก็ปะปนกันมากับพิธีเก่าดั้งเดิมคือพิธีเผาพิธีของพวกหินดูหวกพิธีที่ปาวารีอะไรต่างๆเกิดขึ้นประเพณีเนื้อ ง, งอกาะเพิ่มขึ้นมาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ แล้วพวกนี้มีสายเลือดมีวิญญาณเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูมากกว่าเก่าก็ยังเสียดายก็เลยเอามาซับบริเมนผสมผสานเข้ากับพุทธศาสนาบอกว่าร้อยกระทงเพื่อบูชาร้อยพระพุท ธ, ธบาทพระสาตตะดาที่ริมฝังแม่น้ําน้มทานนาทีเอาละเรื่องนี้ก็จะได้เล่ากันต่อไปขอให้ทราบไว้ก่อนว่าประเพณีรอยกระทงนั้นไม่ใช่ของพระพุทธศาสนาและไม่ใช่ประเพณีของชาวอีสานอีกด้วยอีสานมีประเพณีไหลเรือไฟนั้น ก็เพิ่มขึ้นมาในเม่อทั้งโคงแต่ในบ้านนอกหอกนาในป่าในเขามันไม่มีเดี๋ยวนี้มันต้องมาลอยกระทงในสระก่อสชที่รัฐบาลขุดมาให้ใช้น้ำเลยมาทําให้สกปรกอีกด้วยมันเป็นไปในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจโฆษณาสินค้าขายกระทงประกวดนางมัมพมาศส่งเสริมการมรลุไปทั้งนู่นเอาไปมาพระสององค์เจ้าเป็นตัวตั้งตัวตีเองจัดงานลอยกระทงขึ้นมาที่วัดยกกระทงมาไว้ขายเป็น ไปร้อยห้า้อยกระทงเมื่อซื้อกระทงแล้วก็ห้ยไปอธิษฐานร่วมกันระวังนมสาวปล่อยเสร็จขายกระทองได้มาหลายพันแล้วก็จ้างหนังมาให้คนดูเท่านั้นเองไม่มีเรื่องราวของธรรมะที่จะทําให้จิตใจสูงสงขึ้นมาอะไรเป็นไปเพื่อเรศรษฐกิจเป็นไปเพื่อผานนิสการ์ค้ามันมาฟ้องเกษตรกจเหมือนกับประเพณีของฝรวาเลนไทยวันวาเลนไทยนั้นเกิดมาก่อนเะเลสูดเกิดมาก่อนพวกชาวคริสจะมีคิดศาสนา มันเป็นประเพณีรูปปรคูส์ลูปเปอร์คาเรียรของชาวโรมนตั้งแต่เดนกุมภาเป็นต้นไปถึงฤดูใบไม้ผลิมูวิหกนกกาปักเินชาติในเมืองญี่ปุ่นนั้นในเมืองยุโรปนะมาเริ่มผสมผันธกันทำรวมทำลังกันจูจีเขาเล ย, ยถือว่าเป็นนิมิตแห่งความรักของเขาต่อมาพวกศาสนาคริสต์ก็มาสวมทับจับรอยซับบเมเข้ามาผสมประสาม้าง เรื่องราวเมฆขึ้นมาเรื่องนักบุญวาเลนไทยเอาไปเอามาวาเลนไทยมีสองคนเดียวนี่เขาปลดออกจากคําเงียบนับบุญแล้วที่วาดิกั้นเขาก็ไม่ยอมรับนักบุญวาเลนไทยกันอีกมันเป็นเรื่องไม่มีตัวตนสร้างขึ้นมาใหม่เขาก็เพิ่งจะรู้ไอ้จิตโนอนาวขึ้นมาเดี๋ยวนี้แต่คนไทยก็ยังับผู้รับตาคู่พระอาจารย์จากกิจกรรมวาเลนไทยถือดอกไม้แก่เ ด, เดวาเลนไทยวันแห่งความรักมอบดอกไม้ ส่วรแย่รักในความรักให้แก่กันและกันหลังจากนั้นก็โฆษณาสินค้าอย่าลืมนะฉลองวันวาเลนไทยพาคนที่คุณแฝดรัเน่ไปดูภาพประโยช์เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่ใช่นั้นก็มอบของขวัญอันเลอค่าให้แก่คนที่รักของคนเซนทัลพาซ่าอย่าลืมนะคะพบกันที่นั่นเราเตรียมไว้ให้แล้วโฆษณาสินค้าเสร็จหลับหูหลับตาหลังไหลไปกันต่อมาก็เกิดมีร้านค้าทำรูปนกโกลกา จูตจี้กันขายเป็นเกื่อนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักการค้าเองมันมากับเศรษฐกิจมาพร้อมกับความมืดเพื่อจะย่วย้อมมอมหมาจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กระทงลูกเด็กเล็กแดงรู้จักหมดวันเป็นเดสิบสองคนพ่อค้าคุณแม่ครับขอเงินวันลอยกระทงไปซื้อกระทงลอยอัลและประเพณีอันดีงามสื่อมวลชนมัสมีเดียอะไรต่า ง, างๆก็โฆษณากันโคมขวามันก็ต็นตูง เป็นกระต่ายตื่นตัวไม่ใช่เป็นการตื่นตัวที่มีสติปัญญาแต่มันเป็นกระต่ายตื่นตัวมันไม่ใช่ตื่นตัวอย่างชาวพุทธที่มีสติปัญญาเอาแวลมาคนเท่าคนแก่ตายไปต่อไปนี่ก็เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และ้ลอยกระทงดูอนสิบ้องทั้งจะมีการแห่ทอดกระทินกันแล้วก็ยังจะต้อง้อยกระทงวุ่นวายหานาง ม, มาพมาคนสวยๆมาประกวดกัน นั่งยิ้มเหมือนเดินกำปันแห้งไปหมดฝุ่นตลบกดตลาดฟ้อนกันเย่อเย่อเย่อเย่อเห็นแล้วสงสารชาวพุทธเราเหลือเกินทาไมจงเป็นกันอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็คงจะด่าดมาเป็นกระบุงกระบุงยอมให้ด่าดไม่เกิดไม่เปรียดไม่ใช่ให้เข้าได้สติปัญญาประกวดกันแล้วก็เป็นไปทางการเมรีกลางคืนมา ก, ก็กินเหล้าข้าวควายกันอีกสองสามตัวมีเทศกาลลอยกระทรงเดี๋ยนี้ทางคําตะก้ามีเทศกาลกินป่า อี่มันก็เทศกาลกินควายเทศกาลกินงัวเอาอีกแล้วยุ่งไปหมดในชิปหายกันแหละไม่ใช่เปัญยาชนทําไมถึงต้องมองมองกันอย่างเงี้ยอะไรลองคิดดูเทศกาลกินปลาก็คือกินเหล้านั่นแหละหาเรื่องที่จะชิบหายเงินกันเท่านั้นเองเมืองไทยจึงต้องจเจริญลงจเจริญลงไม่จเจริญขึ้นญี่ปุ่นแพ้สงครามลงมัรอแปดสิแปดเที่ยวใช้นี่ทั่วโลกจนกอบยอดแย่แทบจะกินเกลือแต่เดี๋ยวนี้ร่ำรวยฝรั่งยังวาดกลัวเขามี ธรรมะคือมีความประหยัดมีความไม่ฟุ่งเฟวยมีความขยันมีการควบค้นดีๆประสานความคิดที่จะทํามาหากิ่งเขา้าเรียกว่าเขามีคุณธรรมทีทม่จะทำนิยกถะับประโยชน์มีมอุทานนะขยันอาลละหะไม่ฟุ่มเฟืยสมาชีวิตาประหยัดตะยามิตรตาเฟ้สมสมันเฟ้วนรากันแต่คนผู้รู้หาเรื่องที่จะทําให้มันเจริญขึ้น ไม่ใช่หาเรื่องเทศกาลกินปลาเทศกาลกินควายเทศกาลกินูขึ้นมามันจุงเทศกาลอยกระทงแหนาง ม, นมาปรมาประกวดกันอย่างนี้นีชาวคริสเขาก็รู้แล้วว่าวาเลนไทยนั้นเป็นเรื่องจอมปลอมเป็นเรื่องหลอกลวงกันเฉเมืองไทยยังหลับหูหลับตาบูชากั น, นในโรงร่ำโรงเรียนสอนเด็กให้เขา้าใจอย่างนี้ลืมวิสาขามาฆาสาระ่าวันที่จะทาให้จเกีสส่งตงบนี่เป็นอย่างนี้ ท, ที่กระทงของเราก็เลยมาบอกว่า รวมทัพจับรอยมาเป็นเรื่องบูชารอยพระบาทรอยพระบาทนี่อยู่ที่ไหนเอาละ่ละเรื่องนี้มันมีเรื่องราวว่ามีพระมหาสาวกองหนึ่งในจํานวนสิ่จิมหาสาวกเช่นเดิมมีชื่อว่าปุณะเกิดที่เมืองท่าชื่อสุ ป, ปรารักะในแคว้นสุนาปรนันตะสุนาปรนันตะเนี่ยเมื่อเ ต, อติบโตขึ้นในประกอบการค้าขายร่วมกับน้องชายพัดกนํากองเกว500เียนห้ารอยเล่บเที่ยวค้าขายตามหัวเมืองต่างๆคราวหนึ่งน้องชายยกฟอกว่าว ปุณณะพี่ชายเดินนากองเวีนออกค้าขายผ่านเมืองต่างๆเมืองแล้วเมืองลำบางครั้งก็ไปทางเลือกจนมาถึงที่เมืองสาวัตถีพักกองเวียนอยู่ใกล้พระเชตวันเมื่อรับประทานอาหารเช้าแล้วก็นั่งพักผ่อนกันตามสบายในขณะนั้นเองปุณณะได้มองเห็นชาวพานันาคารสาวัตถีแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยพากันเดินไปยังพระเชตวันเพื่อวังธรรได้ไต่ถามทราบความ แล้วก็ดีใจจึงพาบริวารเดินตามเขาเข้าไปโศพระวิหารเชตตะวันที่ว่าเขาไปมากๆแล้วก็คงจะต้องไปบ้งไล้วเว้ยเพื่อจะได้ค้าขายของในดีคนเยอะๆในโฆษณาสินค้าในพอคามต้องหาใจเป็นกําไรอย่างเนี้ยนิจสุก็เลยได้ฟังธรรมโดยวังเอิรฟังธรรมจากพระผู้มีภาคเจา้าเตอความเรื่มใสยอยากจะบวชวันรุ่งขึ้นก็ถวายอาหารมหาทานแก่พระภิกษุสองมีผู้ได้จับเรียนประทาน แล้วก็มอบหมายธุรกแก่เจ้าหน้าที่คุมของให้นำสมบัติไปมอบให้แก่น้องชายแล้วตนเองก็ออกบวทในสมนักภาษาแต่ละประโยชน์อะไรกับการเที่ยวไปเที่ยวมาเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปได้มากก็ดีใจเียไปก็โศกเศร้าได้กาไรขาดทุนหัวเราะร้อ ง, องให้ภูภูแปลกแปลกบทดีกว่าหาธรรที่สุดแห่งทุกในที่สุดก็ได้ปวดเมื่อบวดแล้วท่านก็เลยคิดว่าเราเนี่ย น่าจะต้องกลับไปที่สุนาปันตะแต่เมืองนั้นเป็นเมืองคนโหดมากแม้ได้พระองค์นั้นเมืองนี้เป็นเมืองคนมิจฉาทิฐิโหดร้ายสามานมากไม่พอใจจะต้องด่าว่าทุบตีต่างๆเป็นเมืองที่คนแก่ต่ำมากท่านก็เลยไปเฝ้าพระสารสดาขอฟังโอวาทพระพุพทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงทําอย่างนี้เถิดเป็นการที่เธอเห็นทุกได้เห็นสักแต่ได้เห็นได้ยินก็สักแต่ได้ยินได้ฟังสักแต่ได้ฟังได้ได ราบสักปใดๆสาบรู้แจ้งใดตะแวงหาแต่พิดนานด้วยใจอะไรต่างๆให้มันเป็นเพียงสักว่าเฉยๆอย่าไปยึดมัน่นถึงมันพอใจไม่เพียใจพอใจหรือไม่พอใจแล้วเถอก็จะพลไปจากทุกหลังจากนั้นท่านก็กราบลาผมขอไปปฏิบัติธรรมกรร ม, มาฐานจะอบผมเองไปที่ไหนพุทธิยาสอนถามมั่นแตงบอกว่าจะไปที่สุนาปนันต์ตะห่อหอพุทธิยาบอกว่าที่นั้นในเมืองคนโถดไม่มีใครปราธนาจะไปถ้จะไปได้อย่างไง ไหนเราขอถามหน่อยทีถ like ้าเขาด่าเธอจะทํายังไงถ้าบอกว่าดีครับเขาด่าดีกว่าเขาคว้างด้วยก้อนดินแต่เขาคว้างเธอด้วยก้อนดินเธอจะทํำยังไงดีกว่าเขาเตะด้วยท่อนไม้แต่เขาตีด้วยท่อนไม้เธอจะทํายังไงดีกว่าเขาฟันเขาแทงด้วยอาวุธที่มีคมแต่เขาฟันเขาแทงเธอจะทํายังไงดีกว่าเขาฆ่าให้ตายแต่เกิดเขาฆ่าเธอให้ตายละปุ่นนะถ้าบอกว่าดีสิครับผมจะได้คิดว่าบางองค์ก็ยังผูกคอตายดีกว่าผูกคอตายนะคนอื่นเขาฆ่าตาย บางองค์นี่ยปวานคนอื่นให้มาฆ่าแล้วไม่ต้องผูกคอตายไม่ต้องวานใครมาฆ่าเขาก็ฆ่าให้มันก็ตายแล้วสบายเขาไม่ฆ่าก็จะตายอยู่แล้วไหวนะพูดได้บอกษาทุกอย่างนั้นเธอไปได้มันต้องอย่างนีิสิเรียกว่านักรบใจสิงในที่สุดท่างก็ได้ไปอยู่สุนาปนันตะเมืองคนโหดย้ายไปย้ายมาสีแห่งเขาด่าเขาว่านในที่สุดท่านก็ชนะใหญ่เขาได้ตรัสรู้เป็นพระ อ, อรหันต์ แล้วก็เอาชนะใจชาวสุขนาปนันต์ปะชาวชุนาปนันต์ปะไปค้าขายจากเมืองมาขอพอรจากะอันท่านอวยพรให้มีพ่อค้าห้าร้อยคนไปค้าขายในวันนั้นทางเรือแล้วก็ไปพบเกาะไม้จันทร์ก็เลยโชคดีเหลือเกินลงทุนยังไม่ได้ค้าขายได้กำไรแล้วไม้จันทร์เป็นไม้ที่มีราคาแพงก็ตัดเอาไม้จันทร์ใส่เรือเดีนี้ไม้จันทร์ในประเทศไทยจะมีคนแสวงหากันมากคือไม้หอม ราคาหลายหมื่นไปขายให้แขกสาวอกมันไม่อาบน้ำเอาแต่น้ำหอมประพมตนเองนั่งอยู่ในรถจะอ้วกแตกให้ได้แต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลไทยก็จับนะใครไปหาตัดไม้หอมไม้จันทีนี้เมื่อเป็นอย่างเนี้ยเขาตัดเอาไม้จันตับมามาถึงกลางทะเลมันก็เกิดพายุมันจางรุนแรงพวกผี ป, ปีศาจอะไรต่างๆอมนุษย์เขาไม่พอใจน้เขาก็ปาตะนขหข้ง อธิษฐานใจขอให้ท่านปุณณะมาช่วยท่านก็เไปช่วยเขาเอาชนะใจได้เขาก็เลยเอาไม้จันทร์มาสร้างมาสร้างอะไรมาสร้างศาลาเรียกว่าจันทนะศาลาขอถวายท่านท่านบอกว่าอุย้ยศาลาไม้จันทร์มันหอมกลิ่นทั้งปีไม่มีที่ไหนเขาสร้างขึ้นมาได้ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาไม่ควรค่าที่จะรับ เพราะมันมีค่ามากคนนี้ควรค่าจะรับสาลาไม้กันต้องเป็นพระพุทธเจ้านู่นพระสพัพตดาเป็นหัวของข้พาพเจ้าสร้างขึ้นแล้วพระองค์อ่าพระบุญนนะนี่ก็ไปมีมนุษ์พุทธเ้าที่เชตะวันมาครับพูดง่ายแบบโบราณของเราที่บอกวา่าเพิ่นให่สร้างบุญหน่อยเสวะเอาดังมันยาวาสนเข้ามันหยางปากมันกว่วงกินหิหาหญ่าบวทองมันก็คนไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีอย่างอัตมานีคนหนึ่งละ่ะ ไม่ควรค่าถ้าใครจะมาถวายรถยนต์ให้สักคำหนึ่งก็เหมือนเพลนให้สั่งบุญหน่อยสิบเอดั่งมันเา่าตนเข้ามันยากครับไม่ได้ผสมองค์เจ้าให้คนเออมาครับพ่ยุ่งเอกป่ามันกวางหาาบท้องกินน้ำมันเกยน้ำมันเฟืนท้ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันมันอีกอ้ยสารพัดอย่าเอามันเลยดีกว่าโยมอย่างน้มาเทศนาว่าเอรถมารับทาไมมีก็เดินมาทำมาไม่ทันก่อนแล้วกันไปเจ้าอย่างนี้ตเปมพุทธเจ้ามาล้ พระพุทธเจ้าของเราทา่านกอบมาครับโอ้มาชื่นชมผลงานโลกสิลป์ของท่านะ น, นะน้าใจคนโหดได้ท่านก็เดินทางมาวันละโยดโยดวันละสิบหกกิโลอาจจะมาเดินมากกว่านั้นเดินจากพระธาตุพนมผ่านดงหมูกับถึงนครพนมมาแบก บ, บริขารมาด้วยอย่างเงี้ยเดินได้าไม่มีรถขี่สมัยนั้นท่านก็มารับพ่อเดินมาถึงภูเขาสัจจพันธ์ก็พบสัจจพันธ์ท่านนีกคน ตัดเพันธนิคนก็ขอฟังธรรมแสดงธรรมให้ฟังเป็นพระอรหันต์ตามไปด้วยมาจะถึงสุนาปนันตะรับจันทน์ศ า, าลาเสร็จนอนอยู่นั่นสามคืนท่านก็เดินกลับไปถึงแม่น้ำนัมมาทานนาทีพบนัมมาทานนาก็เรื่อมไสวท่านแสดงธรรมให้ฟังนัมมาทานะนาหนาก็ปรารถนาอยากจะมีสิ่งที่ระลึกไว้กลับไปพระองค์ก็เข้าอิทาพิสังขารเหยียบพระบาทลงไปในแผนนี้ริมฝั่งแม่น้ำ แล้วก็เป็นที่ระลึกมาถึงเขาสัจพันธ์ก็ให้มีคนอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปมีคนก็ปานาสิ่งไรลึกสำหรับเยียบรอยเท้าวัให้เขาได้บูชาเอ้อว่าถ้าเจ้าเรียบโลกหลังจากนั้นก็เกิดรอยพระบาทขึ้นเราก็เลยบูชารอยพระบาทท <c oughs> ี่เรียกว่าสัจพันธ์ทักิลเลสุปมณัจารเคสุมมณภูเตโยนกับปูเรนมะานัติยาปัญจาปจาทวราทาหนังอหังวันธานิตรละโตที่เราสวดกันปัญจาปญาทวราธาหนังรอยพระบาทห้าอัน ที่ประดิษฐานไว้กราบไหวกันอยู่นั่นแล้วก็เลยสวมทับจบร้อยว่าร้อยประทีปล่อยกระทงลอยลงสูข่ของขาสู้น้มัธาันทีสีบวรเอาเพื่อบูชารอยบาตรศัปดาแต่เร่องนี้อยกระทงมันไม่มีความหมายในการบูชารอยพระบาทดอกมันมีความหมายทางการมารมประกวดนางนพมาศคนสวยในท้องถิ่นหลังจากนั้นก็ลอยกระทงอธิษฐานความรักพิ้วมหนาวพราวว่างบางนณะ ดอกรักละกรีบรนอย่างหมดหมองม่านราตรีขี้บังริมฝังคองจันสีทองเพิ่งจะแย้มบนแก้วฟวาถือกระทงดอดเดียวดูเกลียวขึ้นแอบสะอื้นในดวงใจหัวให้หาโอ้ยอรักอย่ไหนใหญ่ไม่มาว้าเข้าไปนั่นแล้วลึกเรียกร้องและห้อยหาหอยหวนเึ่งความรักอะไรต่ออะไรไม่มีความหมายในทางที่จะบูชารอรต่อไป ความจริงร้อยพระบ่ายของพระพุทธเจ้าของเราจริงๆมันมีอยู่สามรอยในโลกนี้ตลอดกาลคือรอยแห่งพระเมตตาคุณรอยแห่งกุลณารอยแห่งความบริสุทธิ์และร้อยแห่งความเมตติปัญญาปัญญาที่คุณวิสุทธิคุณคุณเองความบริสุทธิ์เมตตากรุณาคุณคุณเองความเมตตาอันใหญ่โตสามรอยนี้ประทับไว้ในโลกปกเก้าคุ้มของโลกให้สงบพร่มเย็นตยู่ได้ เมื่อใดยังมีปัญญา ม, มีเมตตามีความบริสุทธิ์ใน